ตอนที่38แม่หนูคนนี้เก่งจริงๆเมื่อไม่มีสองสามีภ ร, รยาโจเตอสุ้นมาก่อเรื่องการย้ายสุสานก็เริ่มต้นขึ้นอย่างรวดเร็วโจเว่หมีไม่คาดคิดว่าการย้ายสุสานธรรมดาธรรมดาจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้สำนักงานเขต จ, จ้างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการย้ายสุสานสถานีโทรทัศน์ประจำอำเภอและประจาเมืองต่างก็ส่งคนมาทาข่าว เมื่อไปถึงโรงเผาศพผู้นำจากตัวอำเภอสำนักงานเขตและตัวแทนพนักงานจากโรงงานทอผ้าต่างพากันมาวางพวงหลีบและร่วมส่งวิญญาณให้พ่อของเขานักข่าวตั้งใจจะสัมภาษณ์เขาด้วยแต่พอเขาเห็นกล้องสี่เหลี่ยมสีดำนั่นขาก็สั่นพับๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องการให้สัมภาษณ์เลยสุดท้ายจึงเป็นซูมานอินแม่เลี้ยงของเขาเพียงคนเดียวที่ยอมรับการสัมภาษณ์จากสถานีโทรทัศน์ได้ยินว่าหลังจากคนรักของคุณเสียชีวิตได้มีการฝังตามธรรมเนียมไปแล้วแต่คุณกลับเป็นฝ่ายเสนอให้ย้ายสุสานเพื่อนํา ม, มาเผาด้ววยตัเอง พอจะบอกเล่าความคิดเห็นของคุณหน่อยได้ไหมคะโจเ ว, วี่หมินและซุนจิวหลิงยืนอยู่ด้านข้างพอได้ยินคำถามนี้ก็ถึงกระปวดหัวโจวเติร์สุุนและหวังเกวฮ่าที่อยู่ข้างๆก้มหน้าพึมพำอย่างไม่สบอารมณ์จะเพราะอะไรล่ะก็แค่อยากเด่นอยากดังน่ะสิจะบอกว่าฉันรีเริ่มเองก็ไม่เชิงค่ะเป็นเพราะความใส่ใจในนโยบายของผู้นําสํานักงานเขตและผู้นําโรงงานที่ทําให้ฉันได้รับรู้นโยบายนี้ของรัฐ การฝังศพนั้นสิ้นเปลืองพื้นที่ดินและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการเผาศพไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดทรัพยากรแต่ยังช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะแม้ในใจส่วนตัวจะมีความอะไรอาวรแต่ฉันก็เข้าใจดีว่าความรู้สึกส่วนตัวไม่ควรขัดขวางความก้าวหน้าของสังคมการที่ฉันเป็นผู้นําในการตอบรับนโยบายนี้ก็เระหวังว่าจะช่วยเรียกร้องให้ทุกคนก้าตามยุคสมัยเปลี่ยนแปลงจะรีบประเพณีเดิมๆสิ่งที่ทําในวันนี้จะเป็นกุศลและสร้างประโยชน์ไปช่วยลูกช่วยหลานค่ะ อย่างเหวนจ์วินและเจ้าเฉียนที่ยืนฟังอยู่ต่างก็รู้สึกชื่นชมซูมานอินมากขึ้นไปอีกต้องรู้ก่อนว่าขนาดพวกเขาเองเวลาต้องยืนหน้ากล้องถ้าไม่มีบทให้อ่านยิ่งตื่นเต้นจนแทบแย่แต่ซูมานอินไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเธอกลับพูดต่อหน้ากล้องได้อย่างคล่องแคล่วอารมณ์เต็มเปี่ยมออกเสียงชัดเจนกระทั่งยังดูเป็นมืออาชีพยิ่งกว่าพิธีกรของสถานีโทรทัศน์เสียอีกผู้อํานวยการเจ้าสหายซูมานอินคนนี้เป็นแค่ญาติพนักงานจริงๆหรือครับ หลี่ชางหงรองผู้อานวยการสถานีโทรทัศน์เมืองไห่เฉิงขยับเข้าไปถามเจ้าเฉียนเบาๆไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงภาษาจีนกลางหรือรูปลักษณ์ภายนอกเธอดูโดดเด่นมากจริงๆเมื่อก่อนเธอเคยทํางานด้านการประชาสัมพันธ์มาก่อนหรือเปล่าเจ้าเฉียนสายหน้าเมื่อก่อนเธอเรียนวิชาเอกวารสารศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเอชครับมหาวิทยาลัยเอชมิน่าล่ะหลี่ชางมองซูมานอินด้วยความชื่นชมแม่หนูคนนี้เก่งจริงๆมาจมปักอยู่ในตัวอำเภอแบบนี้ก็น่าเสียดายแย่ หลังจบการสัมภาษณ์หลีช้างห ง, งนม้วนวิดีโอไปเปิดดูซ้ําในจอมอนิเตอร์พบว่าซูมานอินขึ้นกล้องมากเขาจึงยิ่งรู้สึกชื่นชมเธอมากขึ้นไปอีหลีช้างหงเดินไปหาซูมานอินที่กําลังจับมือทักทายกับเหล่าพนักงานสหายิซูมานอินผมหลีช้างหงรองผู้อํานวยการสถานีโทรทัศน์เมืองไห่เฉิงผมขอคุยกับคุณสักครู่ได้ไหมครับซูมานอินมองใบหน้าอันเป็นมิตรของหญิงวัยกลางคนตรงหน้าแล้วก็รู้สึกถูกชะตา ได้แน่นอนค่ะซูมานอินหันไปกำชับโจวเวยหมินและภรรยาสองสามคำก่อนจะเดินเลี่ยงออกมาคุยกับหลี่ช้างหงสหายซูมานอินคุณสนใจจะมาสอบเข้าทำงานที่สถานีโทรทัศน์ประจําเมืองไหมครับหลี่ช้างหงพูดเข้าประเด็นทันทีรูปลักษณ์และความสามารถในการพูดของคุณยอดเยี่ยมมากแถมยิ่งจบจากมหาวิทยาลัยเอชท่านรองหลี่ค่ชั้นเรียนไม่จบค่ะสูมานอินรีบขัดขึ้นเธอไม่อาจโกหกได้โดยเฉพาะกับคนในวงการข่าว ที่บ้านเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นนิดหน่อยฉันเลยต้องลาออกกลางคันค่ะลีช้างหงได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเสียดายเป็นผมเองที่ไม่ได้สืบดูให้ดีก่อนแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังอยากให้คุณลองดูนะครับผมเชื่อว่าด้วยความสามารถของคุณการเข้าทำงานคงไม่ใช่ปัญหาขอบคุณท่านรองหลี่ที่ให้เกียรติแค่แต่สถานการณ์ของฉันท่านเองก็คงเห็นแล้วซูมานอินชีไปทางฉินเสี่ยวเย่เว่ที่กาลังโชว์ทักษการร้องให้อยู่ ลูกชายคนเล็กของฉันเสียสละชีพไปแล้วทิ้งที่เสี่ยวเย่เว่ยต้องอยู่ตัวคนเดียวฉันไม่อาจทอดทิ้งเธอไปได้ค่ะลีช้างหงไม่คาดคิดว่าส่มาอินจะเป็นคนที่มีคุณธรรมและมีน้ำใจขนาดนี้แต่ว่าฉันขอเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษของทางสถานีได้ไหมคะผู้สื่อข่าวพิเศษลีช้างหงเพิ่งเคยได้ยินคำเรียกนี้เป็นครั้งแรกจึงรู้สึกแปลกใจก็คือเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานีนะคะ หากฉันพบข่าวที่น่าสนใจในท้องถิ่นฉันจะส่งต้นฉบับให้คุณและเมื่อข่าวถูกนำไปออกอากาศก็ให้ลงชื่อในฐานะผู้สื่อข่าวพิเศษพร้อมกับให้ค่าตอบแทนตามความเหมาะสมค่ะลีช้างหงฟังแล้วก็เห็นว่าทางสถานีไม่มีอะไรเสียหายเลยได้แน่นอนครับกลับไปผมจะรีบทาบัตรประจําตัวพนักงานให้คุณทันที ทั้งสองคุยกันอย่างถูกขลีช้างหงรู้สึกว่าซูมานอินเป็นผู้หญิงที่มีความคิดอ่านกว้างไกลส่วนซูมานอินก็รู้สึกว่าหลี่ช้างหงเป็นผู้นำที่มีสายตาเฉียบแหลมและมีความเด็ดขาดหากยุคสมัยนี้มีวีแชททั้งคู่คงกดเพิ่มเพื่อนกันไปนานแล้วเมื่อตกลงกันเรียบร้อยซูมานอินก็เดินกลับไปหาชินเสี่ยวเย่าชินเสียยเส่ยวเยเวยมองตามหลี่ช้างหงที่เดินจากไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเธอจึงหาจังหวะที่หยุดร้องให้ชั่วครู่กระซิบถามซูมานอินเบาๆนี่แม่ไปป้ายยาใครมาอีกแล้วเหรอ เปล่ารอแค่ไปทําบัตรพนักงานของสถานีโทรทัศน์ประจําเมืองมานวันหน้าถ้าธุรกิจของพวกเราขยายใหญ่ขึ้นบางทีอาจจะได้โฆษณาในเมืองฟรีๆก็ได้นะถึงได้บอกในว่าแม่เป็นนาจาซูมานอินหัวรา่าราฉันไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกมั้งจะไม่เก่งได้ไงละ่ะทั้งตัวทํามาจากรากบัวมีแต่รูเล่เหลี่ยมเต็มไปหมดซูมานอินคอนขอบใส่ฉินเสี่ยวเยาะลูกสะภย้ยที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทคนนี้ไปสัญหามุกฝืดๆแบบนี้มาจากไหนกันนะ ซูมานอินได้ออกข่าวแล้วแต่ที่บ้านไม่มีโทรทัศน์เลยไม่ได้ดูทว่าบ้านของหัวหน้าสถานีเกาหีวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกหรือในใกันหัวหน้าสถานีเก่าของพวกเราถึงได้นั่งติดโซโ ฟ, ฟาดูข่าวได้เนี่ยซุนอวิมินแม่ของเกาฉางเหอถือจานถั่วลิสงเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นเมื่อเห็นลูกชายดูโทรทัศน์อยู่จึงหันไปมองด้วยความสงสยัยสถานีโทรทัศน์ประจําเมืองมีอะไรน่าดูซุนอวิมินยกมือเตรียมจะเปลี่ยนช่องดูสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางสีมีแข่งกีฬาด้วย ท่าแม่รอเดี๋ยวก่อนสิครับอีกประเดียวก็ถึงแล้วถึงอะไรสิ้นเสียงของสุนอวิหมิ่นในโทรทัศน์ก็มีเสียงใสใสดังขึ้นแม้ในใจส่วนตัวของฉันจะอะไรอาวรแต่ฉันก็เข้าใจดีว่าแม่หนูคนนี้เสียงพระจังเลยนะอย่างกับนกสาริการแนะซุนอวิหมิ่นถูกภาพในโทรทัศน์ดึงดูดความสนใจไปเช่นกันหน้าตาก็สสวยนี่เป็นผู้ประกาศข่าวของอำเภอรเราเหรอก้าวช้างเหอเม้มปากยิ้ม แม่ครับเธอคนนี้เก่งกว่าผู้ประกาศข่าวอีกนะแกรู้จักแม่หนูคนนี้ด้วยเหรอซุนอวีหมิงตาเป็นประกายขึ้นมาทันทีเธอรีบกอดจานถั่วลิสงเบียดตัวลงนั่งบนโซฟาบอกแม่มาเร็วเธอชื่ออะไรทํางานอะไรอายุเท่าไหร่แล้วแต่งงานหรือยังแม่ครับนี่แม่จะตรวจทะเบียนบ้านเขาหรือไงเฮ่ยพวกแกที่อยู่สถานีตํารวจก็มีหน้าที่ตรวจทะเบียนบ้านอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเก้าช้างเหอลุกขึ้นหวังจะหนีแต่กลับถูกแม่คว้าแขนเอาไว้หมับ สารภาพมาสดีดีจะได้ลดโทษถึงหนึ่งถ้าขัดขืนจะโดนโทษหนักนะถ้าแกไม่บอกฉันจะจะไปถามจากพี่สาวแกแทนเก้าช้างเหอพูดอย่างจนใจแม่ครับเธอเป็นครอบครัวพนักงานนะแม่เลิกเพ้อฝันได้แล้วอะไรนะครอบครัวพนักงานเหรอนุนอวิมิงจ้องมองไปที่โทรทัศน์ใต้ภาพหญิงสาวผู้งดงามมีตัวอักษรเขียนไว้ชัดเจนว่าครอบครัวพนักงานเธอถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เสียดายจังมาช้าไปก้าวหนึ่ง เธอเพิ่นจะเริ่มตัดพ้อที่พลาดโอกาสไปแต่แล้วข่าวช่วงท้ายกลับบอกว่าผู้หญิงคนนี้เสียสามีไปแล้วอ้าวชังเหอสามีเธอตายแล้วแกยังมีโอกาสนะซุนอวหมิ่งตะโกนเรียกด้วยความดีใจแต่พองใหน้าขึ้นมาพายในห้องก็ไร้เงาของลูกชายเสียแล้วไอ้ลูกคนนี้หลอกฉันอีกแล้วสุวนอวหมิ่นนั่งลงบนโซฟาและดูข่าวต่อไปยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่าแม่หนูคนนี้เป็นคนมีน้ำใจและกรตันยูเป็นเด็กดีจริงๆส่วนเด็กดี ที่ว่านั้นในเวลานี้กําลังมุวนอยู่กับการต่อสู้กับแป้งโดที่บ้านจิวหลิงทำไมแป้งของฉันถึงยังติดมืออยู่อีกล่ะเนี่ยซุนจิวหลิงหันไปมองแล้วก็หลุดหัวเราอพืชแม่คะทาไมบนหน้าแม่ถึงมีแต่แป้งเต็มไปหมดเลยล่ะเฮอดูถ้าฉันจะไม่มีพรสวรรค์ด้านการทำอาหารเลยจริงๆสินะชิ้นเสี่ยวเย่เว่พิงกรอบประตูพรางกัดแตงกวาเคี้ยวกร้วมๆแล้วเ อ, อ๋ยปลอบใจปนยิ้มว่าแม่เล็กคะถ้าไม่เก่งไปซะทุกอย่างแล้วจะเหลือทางให้คนอื่นเขาเดินบ้างไหมล่ะ ซุนจิวหลิงพยักหน้าเห็นด้วยเธอรู้สึกว่านานนานทีสัยรองจะพูดจาเข้าท่าสักครั้งแต่ว่าสไยรองที่ไม่ยอมหยิบจับทำงานการอะไรเลยคนนี้และจะเก่งเรื่องอะไรกับเขาบ้างนะ